เพาความโกรธภายในใจฝั่งดันออกมามันเลยไม่มีคุณท่าสาระอะไรให้คนที่เดืโกรธไปเห็นคนทั้งลดเวชสังเกตโกรธใจมันแผลมันเผาเขาขนาดนั้นเขาก็ยังไม่เห็นทุกเข็นโทษเขายังยอมโกรธยังยอมยินดีในส้าล่าสาสางท่านคิดไปอย่างนั้นท่านจึงสลดใจถ้าเขาเห็น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 เร่งความหลงในสิ่งต่างๆไม่รู้ไม่เขพอใจตามเป็นจริงมันแสกสิ่งอยู่ทั้งโลภทั้งโกรธถ้าหากมันไม่มีหลงมันกรเตินไปไม่ได้ความโลภมันจะโกรธขึ้นความโกรธมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความหลงของใจแต่เราโก็ไหม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 ของเป็นพิษเป็นภยัยมันขับไล่ออกไปได้ปัญญาจะเกิดกว่าเพราะอาศัยทินิติาจนาะอาศัยสมาธิของจิตไม่หวั่นไหวเอียงๆไปตามเรื่องความชอบของใจบังคับขับไล่สิ่งที่ชั่วชีเสียให้สงบให้ตกออกไป ถ้าใจมีสมาธิถึงปัญญาก็เป็นหล่องปัญญาไปถ้าใจมีสมาธิปัญญาเป็นปัญญาจริงจังสามารถฝาดฟันบั่นทอนเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆให้โตออกไปได้จึงเรียกว่าปัญญาไม่ใชื่อว่าพูดได้คิดได้ทำเป็น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 เพราะความชั่วต่างๆมาเกี่ยวข้องเราทราบเราเห็นเราเป็นอยู่ในตัวของเราความชั่วเราเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งีชั่วสิ่งมีสกปกไม่จะต้องปัดเป่าออกไปถึงทาอากาศจริยาทายนอกแต่มันก็ไม่เข้าถึงใจเพราะใจนั้นถ้ามีปัญญา สำลักขาดแล้วมันเน่เป็นไปตามอาการข้างนอกแต่ก็มีขอบเขตในเรื่อฝั่งฝาคูที่มีธรรมะมีปัญญาในใจไม่ใช่ว่ตะตลอดเปิดเปล่งไฟทาอะไรกับใจเราบริสุทธิ์อยู่รักษาใจใจถ่ายเดียวไม่เป็นอย่างนั้นมันมีฝั่งมีฝามีความเหมาะความสมแต่เวลาใช้อากับจิิยาให้ สกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องถึงก็ใช้ไปในอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ให้เพราะสมมติเรื่องสมมติมันจริงจะให้ถูกกับจริตนิสัยของคนทั่วไปในได้ของสมมตินั้นบางท่านบางคนชอบอย่างนั้น บางท่านบางคนชอบอย่างนี้คนที่ชอบต่ำที่มีปัญญาอ่อนเหมือปตอนนีน้สอนหยุ่ถูงหยดดีมันก็ฟังไม่ออกคนที่นี้นิสัยหยาบนิสัยชฉีวเสียเราชวนทำดีมันก็ไม่ชอบมันจริงมีการตำหนิอยู่เรื่อยไปถ้าทำ ไปตามเรื่องของเขาเรากเป็นคนฉั่วคนเสียผู้ผู้ดีก็ก็ตำหนิอีกมันจึงไม่มีทางหลีอเรื่องนินทาันแรรเสริญในโลกอันนี้มันเป็นมาจากไหนจากอะไรขอสําคัญให้ดูใจของตัวไหวใจของตัวนั้นมันเป็นไปตามที่เราทําเราผูดหรือไม่หรือใจของเรา บดิสุดอยู่ให้ดูเชือ่อก่อนอย่าทําไปดูความโลภความหลงทําไปดูความรู้ผู้ที่มีสติมีปัญญาเนี่ยสอนใจของตัวมันจริงไม่มีทุกข์มีโทษเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเราสมแล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 จะรู้ก็เพราะเรามีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตายไปแล้วจึงจะได้รับผลด้วยดาสกิทาคาอนาคาอรัหันหรือสวรรค์ น, นิพพานไม่ใช่ตายไปแล้วจึงจะเห็นมันต้องเห็นในปัจจุบันที่เราขอพื่อปฏิบัติกันถ้าหาไม่เห็นไม่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วอย่าไปปรารถนาไม่มี โอกาสด้วยลที่จะพบใจเห็นเพราะมันมเป็นอยู่ในตัวของตัวถ้ามันเป็นอยู่ในตัวของตัวแล้วในป่าถนามันก็เห็นก็เป็นอยู่นี่คือการปฏิบัติธรรมาที่พระพุทธเจ้าสอนชั่วหรเรียกว่าสัพะพะปาภาษากรรณะมันก็มีอยู่ในกายวาจาใจของเราเราจะสำลาดแช่ไขอย่างไร ถ้าเห็นชั่วโดยใจแล้วเชื่อว่าทุกคนจะไม่ทำไม่พูดไม่คิดเพราะชั่วเป็นพิษเป็นภัยชั่วเป็นทุกข์เนโทษคนเกิดมาในปรารถนาอยากได้สิ่งที่ชั่วที่เสียอย่างนั้นแต่เขาเองไม่มีปัญญาไม่พิจารณาตามเป็นจริง เ็ในใจิตในใจของเขาเขาจึงกล้าทำ ผ, ผุดคิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่วขาดสติขาดปัญญาขาดการรักษาถ้าหากเขามีสติมีปัญญาแล้วเขาจะแก้ไขเพราะเขาทำใส่เราเขาพูดกับเราเราก็ไม่สราถนาแตนไหนเราจริงจะไปทำไปพูดในสิ่งที่ชั่วอย่างนั้นมันก็มี โอกาสเวลาที่จะสำละกไม่กลาทำกลาพูดสิ่งที่ชั่วสิงเสียเหมือนเราไม่ทำชั่วสำละชั่วออกจากกายวาจาใจของตัวก็ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ที่มาตักรู้ในโลกถึงท่านจะใน สอนโดยพระโอษฐ์ขอพระองค์กวาดจางแต่ท่ า, ากนกลสอนอย่างนั้นธรรมะมันยังเหลืออยู่เพราะผู้ใจเจ้ า, า, าปรินิผพานไปทำในริ้อถอนชั่วดีอย่างไรออกไปด้วยยังมีอยู่ในโลกคําสอนยังมีอยู่กุญแจเฉวดาสดายัางมีอยู่ คือยังกว่าจะปฏิบัติอยู่กว่าจะมีทางที่จะบริสุทธิ์ได้ถ้าหากในตังน า, าง้าต่างจ้าปฏิบัติอะไรคอยวันคอยคืนให้กายวาจย ใ, ใจบริสุทธิ์มันตอือนกันกับคนทํางานแไ่นั่งดูอยู่อย่างนั้นในลงมือทําอะไรกันอยากจะเห็นงานนั้นมันสาเร็จลุล่วงไปเออจะนั่งอยู่ อยู่ันกี่เดือนกี่ปีงานนั้นมันก็ม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะม่ลงมือทาถ้าเราทําแล้วถึอไม่ปราถนาอยากจะให้งานนั้นมันสาเร็จรุล่วงไปแต่มันก็สําเร็จได้เพราะการแต่ทําของตัวมีการสําระชั่วออกจากใจกับทานองเดียวกันมันทีนีพี่เจาน่นาแก้ไขําระมันไปด้วยสติด้วยปัญญาของตัว หรือเราสละไา ด, าด้ไม่มีอะไรที่ชั่วขี่เสียในกายวาจาใจของตัวใจของตัวมันกดบริสุทธิ์มันกดสะอาดมันกดสบายไม่คิดว่าเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ได้ตําหนิตัวว่าชั่วว่าเสียอย่างนั้นอย่างนี้มันสุขมันสบายจะไปสถานที่ใดก็ไม่รัวใครอันตรายไม่ถือว่าเขาจะ กล่าวากคุ้มคุ้มตัวอะไรเพราะเราไม่ได้ทำชัว่วทำเสียพอที่จะเป็นทุกข์เป็นโทษให้เขาดูหมิ่นมินทาไม่จับคุมคุ้มตัวสิ่งที่ดีพยายามบำเพ็ญตามโอวาทสี่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่ส่วนเราทุกคนที่มาฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติกายของเราไม่ได้ไปทำ ชั่วทำเสียอะไรรายจ้างของเราก็มันดี๋ยไปพูดชั่วปุดเสียอะไรพอที่จะตันฑ์ตัวของตัวนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาพี่เจนนะสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันเดี๋ยวไปทาไปพูดไปคิดสิ่งที่ชั่วเสียเมื่อมัน เกิดขึ้นผ่านมาเราก็กำจัดปัจต่ยมันออกไปนี่คือทางปฏิบัติกายล่ายใจใจเพื่อความบริสุทธิ์เมื่อรางชำระสาสางความชั่วออกไปรักษาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในบุญในกุศลจิตของเราก็เยือกเย็นจิตของเรากตั้งมั่น ปัาสำลักสาสางสิ่งต่างๆนานาที่ผ่านมาเกิดขึ้นส่วนที่เจรณาสิ่งที่ชั่วที่เสียสอนใจให้หลีกให้เวน้นสิ่งที่ดีสอนใจให้บำเพ็ญทำตามเมื่อชั่ ว, วเราเบลสำลักออกไปดีเราเลย ก็ทำบาเพ็ญ ม, มาจิตของเราก็บผ่องใสจิตของเราก็สะอาดพาราะไม่เต็มหนิตัอ <c oughs> ตวองตัวถูกรูก้ทั่วไปที่แกนาแล้วสันละเสริญตัวของเราเองก็เยอกเย็นไม่เห็นทุกเห็นโทษจิไดไปทำไปพูดไปคิดในสิ่งที่ชั่วชีสีย ใจมันผ่องใสใจมันสุขใจมันสบายนี่คือทางสัญญาทางสำราใจคำสอนเหล่านี้พระพุทธเจ้า <c oughs> ยังทรงจะสอนอยู่กคงทรง ส, งสอนบริชัดพระพุทธเจ้าคนนี้นิพานใจครูอาจารย์ที่ท่านขอพุจารณาฝปฏิบัติท <c oughs> ่านกแนะสอนกันมาแต่เถือว่าเรา จได้ยินได้ฟังแล้วจะนำไปสอนกายวาจาใจของตัวอย่างไรนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนแม่ครัว <c oughs> ทำอาหารขึ้นหลายชนิดแล้วแต่ใครชอบทานอะไรอยากทานอะไรมีในโรงครัวอาหารทุกประเภทแต่คนไปแล้ว ไปยืนมองมอ ง, มองดูสูดแต่กิ่นเท่านั้นมันจะอิ่มได้หรือ้าไมลงมือรับทานมันไม่มีวันอิม่มเนี่ยครัวจะทำให้มากขนาดไหนมันก่อนอู่เป็นสาระประโยชน์ให้หลางกายคนที่นี่ทานอาหารก็มีแจะวันจะขายพร้อมจะล้มตายไปเท่านั้นธรรมะคำสอนของผูธง้ธเจ้าขนืวนกันถึงจะมีมาก มายหลายหลวงขนาดไหนมีตำรับตำรามีครูบาอาจารย์แนะนให้แต่เราไม่นำไปเพื่อปฏิบัติมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ฉังนั้นทุกคนจึงควรฝนใจสำรัสะสาสารตัวของตัวหลีกเลี้ยงชั่วละชั่วก็รทำบำเพ็ญสิ่งที่ดีสำาักจิตของตนให้ของสใสปราศจาก ความโลภโกรหลงออกไปสงบละนับเรื่องอารมณ์สัญญาเกลียดตันหาต่างๆนี่คือโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสรุปแล้วมีเพียงแค่นี้มีเพียงสามข้อถ้าหากจะพูดบรรยายไปให้ววกว้างขวางมันก็กว้างขวางออกไป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 ของใจมันมีมากอาการของจิตมันมีมากเรือ่องของธรรมที่บรรยายออกไปมันก็มีมากมันเหมือนต้นไม้ต้นเดียวเท่านั้นแหะแต่จะไปพลายนาก <c oughs> ิ่งใบของมันมันนับไม่ถ้วนมันมากแต่ก็เกิดจากต้นไม้ต้นนั้นเมีจิตของพวกเราท่านก็ทชาวนเดียวกันนีอันเดียว ถ่าพิจารณาให้มันเป็นอันเยอะได้มันก็หายสงสัยแต่พิจารณาไม่ได้มันก็ยังสงสัยอยื่อยไปนี่การชำระสาสังใจการพิจารณาธรรมอยากไปพิจารณาที่อื่นพิจารณาสั่งสติอยู่ในกายในเวทานาในจิตในธรรม นี่คือมหาสติปัฏฐานเป็นฐานที่ตั้งของจิตครูจีที่มีที่เจนาอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่นานถึงเจ็ดปีหรืออย่างช้าที่ถูกอกว่าเจ็ดปีเท่านั้นจะมีสติเป็นสองที่พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้หนึ่งจะเป็นพระอาราหันต์สองจะเป็นพระอน า, าคาส่วนสติทาคาโซดาท้าไม่ได้พูดถึง ผู้ทูชนลุ่มหลงอยู่เรื่อยใจท่าน็เลยพูดถึงถ้าตั้งอยู่ในนี้ที่เราก็เคยตั้งเคยพี่นี่พี่เจนะแต่เธออะมันแปบตาเดียวถึงอกาองอกิริยานั่งอยู่เดินอยู่กอดตามแต่อารมณ์สัญญาอันใหม่มันมาเกาะมาอาศัยมันมาดึงออกไปทําอยู่เป็นหลายๆปีแต่จะมาเสีย เวลาจิตพิจารณาธรรมะจริงจังนั้นมันมีน้อยถ้าหามันพิจารณาจิตต่อหน่อมื่องกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพระพุทธเจ้ารับรองคำผูกของพระพุทธเจ้ามีสองเป็นจรินอย่างไรยริงอยู่อย่างนั้นไหนว่าสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่หรือสมัยพวกเรากับท่านองเดียวกัน ถาพิจนาอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่จะมีคติเช่นอย่างนั้นเพราะเหตุใดล่ะเพราะกายที่เรามีอยู่นี้สมกับว่ากายคือกายไปไม่ค่อยสนใจไปสนใจเรื่องอันอื่นถ้าสนใจเรื่องของกายพิจนาอยู่ในนี้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 ให้เห็นชีงลบสมดออาไว้มันจะเห็นมีมุด ม, มีสมุดมันบังมีมุดเอาไว้ใจลหลงไหลใจใส่สันใจปิดข้องเพราะเราไม่พิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเวทานาก็ทํานองเดียวกันมันพิจารณาได้จิตคิดเรื่งต่างๆนานาตัา้งโก้พอพิจารณาได้ พอเราเป็นเจ้าของตัวมันคิดอะไรมันฟุงอะไรมันเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายดีอย่างไรทุกอย่างมันเกิดมาแล้วจะเป็นไปตามหน้าที่ของมันอย่าไปติดไปขอ้องอย่าไปยึดไปถือดีเกิดขึ้นยึดเอาไว้ชั่วเกิดขึ้นขับไล่ออกไปเมื่อมันเนี่ยเป็นไปตามใจไม่ปลเลยเกิดทุก เพอไหมเห็นตามเป็นจริงพวกมันว่าอันนี้สักเทวว่ะเป็นอาการในเสียของจริงอะไรขอะจริงผู้ไปรู้เป็นของจริงเห็นไหมล่ะผู้ไปรู้มันไม่รู้มันไม่เห็นนะมันจริงงมรุ่ยไปถ้ามันเห็นแล้วอันนั้นมันเป็นอันหนึ่งอันนี้มันเป็นอันหนึ่งเราจะไปท่องสายที่ไหน พอมันยังไม่เห็นเรื่องของใจของตัวเองมันจึงงมเรื่อยไปล้วงเรยไปแต่การกําหนดที่เจนะสารน่อออกไปขับไล่จริงจีเป็นสมุดออกไปด้วยเต็มตีด้วยปัญญาจริงจังก็เหมือนไม้เออถักเอื้อมันออกก็พี่มันออกแก่มันอยู่ที่ไหนมันจะเห็นไม่ถากไม่ ทำเฉยเลยเจ้ไปได้แก่นมานมั่ก็อหายยากมันจึนไปในด้มีการทำร่ายใจก่อนมั่นที่นี้พิจารณาแก้ไขตั้งสติกำหนดรักษาภาวนาอยู่เรื่อยไปมันสงบหรือไม่สงบนั้นไม่ต้องปรารถนาขอให้ดูภายในอยู่เดือดไปทําอยู่เรื่อยไปเหมือนกันกับครทานอาหาร ควอิ่มในตาธนา ถ, าถ้าหากทานลงไปอยู่บ่อยๆควมอิ่มมันจะเกิดขึ้นมาเองท <c oughs> ำการงานก็เหมือนกันไม่ต้องปราถนาเดินทางก็เหมือนกันแต่เราเดินด้วยไปไม่ถอยหลังมันก็มีวันเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นขอให้พากันพินิจพิจารณามระสิ่งที่ชั่วบำเพ็ญสิ่งที่ดี ท, ทําจิตคงตน ให้พลองเคล่วหลุดพ้นนี่เป็นเรื่องโอวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรามีโอกาสเวลาที่จะชำระสะสารกายวาจาใจของตัวไม่ใช่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาพยายามดูภายในชำระขับไล่ อย่างที่ชั่วทีเสียกระทำมบ่าเพียนจริงๆีเป็นสลระประโยชน์เกิดมากในีน้ใครที่จะอยู่ขำฟ้าการเวลาจืนงจริงชีวิตของเราไปเท่าไรแล้วแล้วอีกกี่วันกี่เดือนเราจะตายแล้วก็ไม่ทราบจึงไม่ควรประมาทดี่เสีงขวนขวาย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 ตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเหนือทุกคนหมั่นสละตัวคล้องตัวจากชั่วหลวพุทธปฏิบัติตัวคล้องตัวในทางดีอยู่สม่ำเสมอแล้วคนนั้นแหละจะมีโอกาสเวลาถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนฉะนั้นขอทุกท่านจงนําไปปิิพิจนา <c oughs> ต่างนาต่างตาหลวงพุทธปฏิบัติ ความฝูดความเจริญก็จะเกิดขึ้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรถเวลาเพายุคเพียงแค่นี้